วิธีสอนลูกน้อยทำสมาธิมือรับรู้ถึงคลื่นความคิดฟุงซ่านได้แม้คุณจะทำสมาธิได้ยากก็สอนให้ลูกเป็นสมาธิได้ง่ายขอเพียงอุธิตัวพาลูกนอนทุกคืนตั้งแต่เขาเพิ่งรู้ความและเป็นไกดพาเขารู้จักความต่างระหว่างความฟุงซ่านอันเป็นทุกข์กับลมหายใจอันเป็นสุข สาเหตุหนึ่งที่คนเราโตขึ้นแล้วทำสมาธิได้ยากรู้สึกถึงลมหายใจได้ยากก็เพราะความฟุ้งซ่านในหัวจริงพื้นที่ไปหมดแล้วแต่หากมีคนช่วยไล่ความฟุ้งซ่านให้ตั้งแต่ตัวยังน้อยโตขึ้นจะมีสมาธิดีตั้งมั่นง่ายเห็นลมหายใจได้สบายๆแล้วอะไรดีๆในชีวิตจะตามมาเองความฟุ้งซ่านที่เห็นด้วยตาเปล่า คืออาการนอนไม่เป็นสุขดิ้นไปดิ้นมาพล่านไปทั่วเตียงหรืออย่างน้อยก็กระสับ ก, กระส่ายพลิกไปพลิกมาไม่นิ่งถอนใจฟืดฟาดเป็นระยะส่วนความฟุ้งซ่านที่สัมผัสได้แม้ลูกนอนนิ่งคือคลื่นความคิดที่ปานป่วนถ้าคุณนิ่งพอคุณจะสัมผัสรู้สึกได้ด้วยใจหรือด้วยฝ่ามือคนเราใช้ฝ่ามือหยิบจับสิ่งของ กระทั่งนึกว่ามือเป็นอวัยวะสำหรับหยิบจับแต่แท้จริงแล้วมันไวสัมผัสและรับรู้ถึงความมีอยู่ของคลื่นต่างๆได้โดยเฉพาะคลื่นห ย, ยาบๆอย่างความคิดฟุง้งซ่านอันเป็นคลื่นไฟฟ้าในสมองไม่ใช่คลื่นละเอียดลึกลับซับซ้อนอะไรเลยเพียงทาบฝ่ามือลงกับหน้าผากลูกถามตัวเองว่าขณะนั้นสัมผัสแรงดิน้นใต้ฝ่ามือได้มากหรือน้อยคุณจะเริ่มเห็นสิ่งที่ตามองไม่เห็น ยิ่งเปรียบเทียบบ่อยก็ยิ่งเห็นความต่างระหว่างดินมากกับดินน้อยหรือไม่ดินเลยเมื่อสัมผัสได้ว่าดินมากก็ทักลูกเล่นเล่นว่าคิดมากจังแต่ถ้าดินน้อยก็ทักลูกเรื่อยๆว่าไม่ค่อยคิดนะเนี่ยลูกอาจแปลกใจและเห็นเป็นเรื่องสนุกที่คุณทักเกี่ยวกับเรื่องในหัวของเขาถูกและนั่นเองจะทําให้เขาเริ่มสังเกตเกี่ยวกับความฟุ้งมากฟุ้งน้อยในหัวตัวเอง เมื่อเริ่มคุ้นทั้งคุนทั้งลูกก็ต่อยอดเป็นการชวนลูกสังเกตว่าตอนหตใจออกถ้าลูกเป่าลมยาวพร้อมหลับตานึกว่าจะเป่าไล่ผีฟุ้งซ่านในหัวหัวจะโล่งขึ้นนะเมื่อลูกเริ่มทำได้และบอกว่าจริงด้วยให้ต่อยอดอีกนิดบอกให้ลูกสังเกตว่าถ้าตอนหตใจมืออ่อนเท้าอ่อนลูกจะหตใจสบายหัวโล่งมีความสุข ซึ่งขนาดที่บอกนั้นให้แตะมือแตะเท้าเข้าไปด้วยหลังจากหายใจแบบไม่เกรงเนื้อเกรงตัวเพียงสองสาครั้งเขาจะหลับไปนิ่งๆให้คุณสัมผัสถึงความสุขของเขาได้หากลูกหลับสบายทุกคืนเขาจะโตขึ้นมีสมาธิปลอดโปรง่งและคิดอะไรดีๆได้เองโน้มน้อมไปปฏิบัติธรรมได้เองโดยที่คุณอาจไม่ต้องสอนอะไรมาก